จเจรอนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล ที่เป็นเหมือนเงินทองที่เราเอาไปใช้ในการจับจองซื้อบ้านใหม่เพราะบ้านเก่าที่เราอยู่ในขณะนี้คือร่างกายของพวกเรามันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแนวในที่สุดก็จะต้องตายไปพอร่างกายตายไป พวกเราที่อาศัยร่างกายก็ต้องไปหาบ้านใหม่กันถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่ผ่อนไม่ซื้อบ้านใหม่เวลาบ้านเก่าหมดสภาพไปเราก็จะไม่มีบ้านอยู่กันดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องมาทำกันก็คือมาจองบ้านใหม่ผ่อนบ้านใหม่ จ่ายเงินเป็นงวดๆไปทุกประตย์ก็มาวัดครั้งหนึ่งเอาเงินดาวเอาเงินผ่อนบ้านใหม่มาจ่ายให้กับวัดวัดเป็นเหมือนกับตัวแทนที่จะส่งเงินดาวเงินค่าบ้านใหม่ไปให้กับโครงการบ้านนี้เขาก็มีอยู่สองโครงการบ้านที่ดีกับบ้านที่ไม่ดี บ้านที่ไม่ดีก็เรียกว่าอบายบ้านที่ดีก็เรียกว่าสุคติบ้านไม่ดีนี้เกิดจากการที่เราไม่รักษาศีลกันถ้าเราทำบาปไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสรสฐรายาเมาและอบายยามุเกเืินเอิน เช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดครั้งการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราต้องไปอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ดีหมู่บ้านที่ไม่ดีนี้ก็มีอยู่สีระดับด้วยกันคือบ้านกลุ่มแรกเรียกว่าเดลอาชานบ้านกลุ่มที่สองก็าเรียกว่าเปรตบ้านกลุ่มที่สามเรียกว่าอศุลกาล และบ้านกลุ่มที่สี่เรียกว่างนารกนี่คือหมู่บ้านสำหรับพวกที่ไม่รักษาศีลใครถ้าไม่รักษาศีลทำบาปแล้วถือว่ากาลังจองไปอยู่ในหมู่บ้านอาบายแล้วแต่ว่าเราทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าเราทำบาปด้วยความไม่รู้คิดว่าทำบาปแล้วไม่มีผลตามมา ตายไปแล้วก็ศูนย์ถ้าคิดแบบนี้เวลาตายไปทําบาปไปตายไปก็ไปเป็นเดลอาฉานไปเกิดเป็นแมวเป็นนกเป็นสุนัขเป็นอัวเป็นควายเป็นเสือสิงกระเทงรัดพวกนี้เป็นพวกที่ทําบาปโดยไม่รู้ว่ามีผลบาปตามมาทําเพราะคิดว่าต้องทําจําเป็น เชนต้องเลี้ยงชีพสัตว์นี้เขาเลี้ยงชีพด้วยการกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเพื่อเลี้ยงชีพเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเรื่องที่จะต้องทำคนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คิดว่าเป็นอาชีพที่ต้องทาแต่ความจริงแล้วมีอาชีพใหม่อื่นๆอีกเ ย, ยอะแยะ ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะเลี้ยงชีพอย่างพวกเรานี้พวกเราก็มีอาชีพค้าขายกันมีอาชีพเป็นครูมีอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลอาชีพแบบนี้ไม่ต้องฆ่าสัตว์เพราะพวกเรารู้ว่าการทำบากนี้มันจะมีโทษตามมาอย่าต้องไปอยู่ในหมู่บ้าน อบายเราไม่อยากไปอยู่อบายเพราะเราไม่อยากไปเป็นเดลฉานเราก็เลยรักษาศีลกันไม่ทําอาชีพที่จะต้องฆ่าชีวิตของผู้อื่นถ้าทําบาปด้วยการไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นเดลฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภคืออยากริ่มอยากรวยอยากมีมากๆ ก็เลยทำทุกอาชีพทำด้วยการทำบาปเพราะถ้าทำโดยไม่ทำบาปมันจะรวยช้าจะได้น้อยแต่ถ้าทำบาปเช่นโกหกหลอกลวงทำอะไรที่มันง่ายสะดวกรวดเร็วมันก็จะนํารวยได้เร็วเช่นพวกคอร์รัปชันทั้งหลายความจริงเงินเดือนที่เขามีอยู่ก็เหลือกินแล้ว แต่ความอยากรวยอยากมีเงินมากๆกก็ทาให้เขาไปขอรับชั้นพวกนี้ถ้าทำบาปด้วยความโลภท่านก็บอกว่าจะต้องไปอยู่ในหมู่บ้านที่เรียกว่าเปรดไปอยู่กลุ่มของเปรดเปรดนี้เป็นพวกที่หิวโหยอยากโลภมากอยากได้มากๆอยากรวยอยากกินมากๆอยากหนึ่งมากๆ อยากได้อะไรมากมากทั้งๆที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีมากก็มีความสุขได้ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มากหรือน้อยอยู่ที่ว่าพอหรือไม่พอถ้าพอแล้วมีน้อยๆก็มีความสุขมีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีมากๆแต่ไม่มีคําว่าพอต่อให้มีร้อยล้านพันล้านถ้ายังไม่พอก็ยังหิวยังโหยยังเป็นเปรตอยู่ แต่ถ้ามีคำว่าพอแล้วก็จะไม่เป็นเปรตจะเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาจะเป็นพระ อ, อริยเจ้านะนี่คือเรื่องของการทำบาปด้วยความโลภนะตายไปแล้วต้องไปได้บ้านใหม่ที่เรียกว่าเปรตแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้กลัวจะอดอยากขาดแคลน ลยไปทำบาปไปชอบไปโกงไปลักทรัพย์เพื่อที่จะได้มีเงินเก็บไว้เยอะๆกลัวจะได้ไม่ยากจนทำบาปด้วยความกลัวท่านก็ว่าต้องไปเป็นไปเป็นอสุรกายหรือคำเรียกเรียกคำนี้ว่าผีผีอสุรกายผู้ที่ทำทำบาปด้วยความกลัวส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความเกลียดความโกรธ ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทพวกนี้ต้องไปอยู่ในนรกฆ่าผู้ด้ความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครทําให้เราไม่พอใจเราก็ต้องทําร้ายเขาทุบตีเขาฆ่าเขาพวกนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดในนรกนรกก็อยู่ในอบายหมู่บ้านอบายนี้มีอยู่สี ระดับระดับเดรัจฉานระดับเปรระดับอสุรกายและระดับนรกพวกเราถ้าไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ต้องหมั่นรักษาศีลให้ได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ต้องไป อยู่ในหนู่บ้านอบายเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเพียงแต่รักษาศีลเวลาตายไปเราก็จะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราทําบุญด้วยทํารักษาศีลแล้วก็ทําทานด้วยอย่างญาติโยมคนนี้เอากับข้าวกับปลาอาหารของเกลียวของหวาน มาแบ่งปันให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าเรียกว่าเป็นการทำทานทานนี้จะทำให้เรามีทรัพย์ติดตัวไปเวลาที่เราตายไปก่อนที่เราจะมาเป็นมนุษย์เราก็ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปเป็นเทพชั้นต่างๆเหมือนกับไปท่องเที่ยวไปอยู่ตามโรงแรมระดับดาวต่างๆ ถ้าเงินน้อยก็อยู่ดาวเดียวถ้าเงินมากหน่อยก็สองดาวถ้าทำมากๆก็ไปอยู่โรงแรมห้าดาวอันนี้คือการไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ในโลกสวรรค์ผลที่เกิดจากการที่เรารักษาศีลได้แล้วก็ทำบุญทำทานทำมากก็จะได้ท่องเที่ยวในระดับสูงทำน้อยก็จะได้ท่องเที่ยวในระดับต่ำ แล้วก็ช้าหรือนานทําน้อยก็ไปเที่ยวได้เดียวเดียวเมือนมีเงินติดตัวไปไม่มากก็ไปเที่ยวได้มีกี่วันสมวันก็ต้องกลับมาแล้วแต่ถ้ามีเงินมากก็อาจจะไปท่องเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวได้เป็นเดือนเป็นปีอยู่ที่กําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ฉะนั้นใดการที่เราจะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นเทพนี้เราก็ต้องทาบุญแบ่งปัน มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยก็เอามาแบ่งกันอย่าหวงอย่าเก็บเอาไว้อย่าไปใช้กับการท่องเที่ยวในโลกนี้ท่องเที่ยวในโลกนี้สู้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไม่ได้มีความสุขมากกว่ากันหลายเท่าแต่ก็แบ่งไว้บ้างก็ได้เอาไปเที่ยวบ้างก็ได้แต่อย่ า, อาไปเที่ยวหมดจนกระทั่งลืม ว่าเวลาเราตายไปเรายังต้องไปต่อถ้าเราเอามาทำบุญเราก็จะได้มีเงินติดตัวไปบุญนี้ก็คือเงินที่เราจะไปใช้ในโลกทิพยนะ์มีบุญมากก็จะมีเงินมากก็จะได้ไปเที่ยวในสวรรค์ที่สูงขึ้นไปที่ดีขึ้นไปตามลา ด, ำดำนะับแล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ของเทวดา เรียกว่าสวรรค์ชั้นพรมเราก็ต้องมารักษาศีลแปแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราจะมีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าเรารักษาศีลห้าเราจะไม่มีเวลาเพราะศีลห้าไม่ห้ามให้เราไปเที่ยวกันนั่นเองถ้าเราอยากจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นพรมเราต้องเลิกเที่ยวในในโลกนี้ เลิกหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนของเราไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิง ต, ต่างๆไม่ไปดูมอหล์ลาศพไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยสดงดงามวิจิตรทิศดาไม่เสริมความงาม ทำเเ่าทำผมทำหน้าทำตาอันนี้เป็นความสุขทางร่างกายเป็นความสุขของเทพเราไม่ต้องการความสุขแบบนี้เราต้องความสุขที่ดีกว่าความสุขแบบนี้เราต้องมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจของเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม ปันผมนี้ก็มีหลายชั้นตามกําลังของความสงบมีแปดชั้นด้วยกันแบ่งเป็น2ระดับระดับรูปประพรมกับอรูปประพรมรูปประพมก็คือผู้ที่ได้รูปประชารูปประชานก็มี4ระดับชั้นรูปประชานที่1รูปประชานที่2รูปประชานที่3รูปประชานที่4อันนี้ก็จะเป็นความสงบที่ ต่างกันไปสงบมากขึ้นไปตามลาดับรูปฌานขั้นที่หนึ่งก็สงบสู้รูปฌานขั้นที่สองไม่ได้ขั้นที่สองก็สงบสู้ขั้นที่สามไม่ได้ขั้นที่สามก็สู้ขั้นที่สี่ไม่ได้ขั้นที่สี่ก็สู้ขั้นที่ห้าคืออรูปฌานไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆการที่จะทาให้ใจเราสงบนี้อยู่ที่กำลังของสติ ถ้าเรามีสติมากเราก็จะทำใจให้สงบได้ามากถ้ามีสติน้อยก็ทำให้สงบได้ น, น้อยดังนั้นถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมที่สูงมากๆนี่เราต้องสร้างสติให้มากๆวิธีสร้างสติก็คือให้เราเลาเลือกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดอะไร ถ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานทำการทำมาหากินก็อย่าไปคิดเพอ้อฝันอย่าไปคิดเพอ้อเจออย่าไปคิดตำหนิปเปลี่ยนว่าคนนั้นว่าคนนี้อย่าไปคิดโลภอย่าไปคิดโกรธเอาเวลามาคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธดีกว่าแล้วจะทำให้ใจเรานิ่งทำให้ใจเรามีพลังที่จะ ทำให้เป็นฌานขึ้นมาถ้าเรามีสติเวลาเรานั่งหลับตาเราพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราไม่คิดอะไรจิตก็เราก็จะเข้าสู่ฌานระดับต่างๆเข้าสู่ฌานที่หนึ่งแล้วก็ก้าวเข้าสู่ฌานที่สองฌานที่สามไปเรื่อยๆจนถึงฌานที่สูงสุดเกิดจากกําลังของสติที่พวกเราต้องพัฒนากันขึ้นมา ต้องสร้างกันขึ้นมาตอนนี้เรามีสติน้อยไม่สามารถควบคุมความคิดได้ปล่อยให้ความคิดคิดเื่อยเปือ่อยคิดไปทั้งอดีตคิดไปทั้งอนาคตคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้คิดถึงสิ่งนั่นคิดถึงสิ่งนี้แล้วก็ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอ เ, เกิดความอยากก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มา แล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการหาวุ่นวายกับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาร้องหย่ร้องไห้เวลาที่เสียสิ่งที่ได้มาไปนี่คือผลที่เกิดจากการไม่ควบคุมความคิดจะทำให้ใจต้องคิดอยู่เรื่อยๆเพราะจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ต้องทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอต่อให้เรา ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ยังอยากอยู่อยู่นั่นเพราะเราไม่ได้หยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากก็จะทำงานไม่ได้ถ้าเราทาคิดแต่พุทโธพุทโธเราก็จะไม่คิดถึงขนมนมเนยคิดถึงกาแฟคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงภาพะยนคิดถึงแฟนคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้ พอเราไม่คิดเราก็จะไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆเราก็จะอยู่เฉยๆมีความสุขเพราะเรามีความพอความพอนี้เกิดจากการหยุดคิดนี่เองถ้าเราไม่คิดแล้วมันก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากมันก็จะมีความพอพอเรานั่งสมาธิใจเราก็จะเข้าสู่ฌานระดับต่างๆเข้าสู่ความสุข ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่า ง, างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไม่ว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสงบของใจที่เกิดจากการระลึกถึงพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆนี่แหละจะให้เรามีความสุขดีกว่าความสุขของมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้าน เพราะมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ยังมีความอยากอยู่ยังไม่พอยังอยากได้เป like ็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่คนที่มีความสงบนี้จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรมีความอิ่มมีความพอนี่คือสวรรค์ชั้นคงนี่คือบ้านที่พวกเรามาสร้างกันแต่บ้านเหล่านี้ก็ยังอยู่ในโลกของอนิจจังอยู่ คือเป็นเรื่องที่จเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปต่อให้เราได้บ้านระดับพรหมชั้นสูงสุดแต่บุญที่เราสร้างไว้ที่ทำให้เราได้บ้านนี้มันก็จะต้องหมดไปบ้านที่เราได้มันก็จะเสือ่อมจากสวรรค์ชั้นพรหมเราก็จะลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องม า, มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วถ้าไม่ทําบุญไม่รักษาศีลก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ถ้าเราอยากจะได้สวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมเราก็ต้องปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงกว่า ขั้นนั่งสมาธิก็คือขั้นเจริญปัญญาเราต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมพาให้เราไปสู่สวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมคือสวรรค์ของพระอริยเจ้าสวรรค์ของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี้ พ, อ, าา พ, อ, พอได้แล้วจะไม่เสื่อมพระโสดาบันพอได้สวรรค์ของพระโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อม แล้วก็จะเหลือพบชาติเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานได้พระสกิดาคามีก็เหลือพบชาติเพียงชาติเดียวคือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกครั้งเดียวส่วนพระอนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต บรรลุถึงพระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระอาหารหันต์นี้ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะอยู่ในสวรรค์ชั้นนิพพานไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันดับไม่มีวันตายไม่มีวันแก่พระพุทธเจ้าของพวกเราพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าในขณะนี้ก็อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดนี่แหละ ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าไม่ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนพวกเราเท่านั้นเองถ้าพวกเรายังไม่สามารถบรรลุไปถึงขั้นพระอรหันต์ได้พวกเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดกันถ้าไปสวรรค์ชั้นพรหมเดี๋ยวพอกำลังของบุญที่ส่งไปหมดกำลังก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นเทพเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็ต้องมาทาบุญกันใหม่ถ้าเราไม่อยากจะต้องมาทำบุญกันซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องมารักษาสิลต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีก mm hmm. เราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้มีปัญญาปัญญาที่เราต้องมีก็คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันเวลาได้รักกันเจอกันก็ดีใจเวลาตายจากกันก็เสียใจแต่ทำยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ rape. เพราะมันไม่ได้เป็นของเราร่างกายของคนอื <c oughs> อ่น <azon> ไม่ได้เป็นของเราร่างกายของแฟนนี่ไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกัน แม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องจากกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรามีปัญญารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเรารู้ว่ามันจะต้องจากเราถ้าเราไปยึดไปติดเราจะทุกข์เราก็ไม่ไปยึดไปติดเราก็ปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์แล้วเราก็จะไม่มีความอยาก ทีอ่อยากจะได้อะไรไม่มีความอยากจะได้ร่างกายของเราไม่มีความอยากจะได้ร่างกายของแฟนไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้ความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปต่อให้ร่ารวยเป็นระดับมหาเศรษฐีแสนล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้ ถึงเวลาร่างกายนี้ก็จะต้องตายไปเพราะร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเราเราก็จะทุกข์แล้วเราก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังอยากมีร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเราก็ตัดความอยากที่จะมีร่างกายไป ตอเราตัดความอยากจะมีร่างกายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วพอเราไม่มีความอยากเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพระอรหันต์คือสวรรค์ชั้นนิพพานต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี่คือการสร้างบ้านใหม่ที่ถาวรบ้านใหม่ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดต้องสร้างด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา้าต้องสร้างด้วยใจรัก อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เพราะเราเห็นว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนาตาัตตาไตรลักษณ์นี้แปลว่าสามลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นข้าวของต่างๆนี้ ล้วนเป็นไตรักทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราแต่เราเวลาได้อะไรมาแล้วเรามักอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ม <t> ันเป็นไปไม่ได้พอมันเป็นไปไม่ได้เราก็ทุกข์เราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังอยากได้อยู่เหมือนเดิมทุกข์ขนาดไหนก็ยังอยากได้เพราะเราไม่ได้เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรพอเราไม่มีความอยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือทำขั้นระดับปัญญาแต่ก่อนจะขึ้นถึงระดับปัญญาได้เราก็ต้องขึ้นจากขั้นต่ำไปก่อนขึ้นจากการทำทานพอทำทานได้เราก็จะรักษาศีลห้าได้ พอรักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาศีลแปได้รักษาศีลแปได้เราก็จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิได้เราก็จะเจริญปัญญาได้จะมองเห็นไตรลักษณ์ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เห็นอนัตตาเห็นอนิจจัง <bidding> เห็นทุกขังเราก็จะหยุดความอยากได้ตัดความอยากได้พอตัดความอยากได้ก็ตัดภพตัดชาติได้ตัดการเกิดแก่เจ็บตายได้ นี่คือการสร้างบ้านตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาแล้วนำเอามาเผยแพรสั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราถ้ามีศรัท ธ, ธามีความเชื่อน้อนำาอาไปปฏิบัติต่อไปพวกเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะได้ไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าอย่างถาวร อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ก็ขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการมาผ่อนเงินดาวผ่อนค่าบ้านที่หลังใหม่ที่เรากําลังจะสร้างกันนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิณิพิ จ, จนาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา